สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตรพระเยซูตอนที่สองร้อยเก้าสิบสามคำอธิษฐานของพระเยซูรครั้งที่หกสิบแปดพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับลำดับนะครับความสำคัญของการอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูพี่น้องครับหลายหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทาไมเราจะต้อง เรียนรู้การอธิษฐานหรือคอําอธิษฐานของพระเยซทูที่ทรงตรัสสอนพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับถ้าเราเห็นหลักการบางอย่างหรือเราสามารถที่จะสังเคราะห์หลักการบางอย่างออกมาจากคําอธิษฐานของพระเยซูเราก็จะเห็นถึงความสําคัญว่ามันเป็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดครับที่เราจะต้องอธิษฐานและเรียนรู้จากคําอธิษฐานของพระเยซูอย่างลึกซึ้งพี่น้องครับที่จะเตียนหลายคน มีความรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังบางอย่างที่เตียหลายคนนั่นถูกโลกจับเป็น่าตเราเป็น่าตของความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกบาปของตัวเองมีผู้เชื่อใหม่หลายคนนะครับมีความเศร้าเสียใจมากที่เขาทำบาปนั่นเป็นสิ่งที่ดีครับและเขาก็จาลงไปเวลาเริ่มต้นอธิษฐาน ก็มักจะทิฐานว่าข้าพระองค์เสียใจหรือขอทรงโปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์คนเหล่านี้รู้สึกผิดมากเกี่ยวกับความบาปจนกระตั้งต้องการเริ่มต้นคำอธิษฐานด้วยการสารภาพบาปแต่แม้ว่าความบาปนั้นจริงๆแล้วขัดขวางการสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้าแต่นี่ไม่ใช่วิธีเริ่มต้นคำอธิษฐานของพระเยซูครับผู้เชื่อใหม่หลายคนอาจจะรีบเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยลีสรายการ ซื่อของเหมือนช้อปปิ้งครับเริ่มต้นขอบอกว่าขอประทานสิ่งนี้แก่ข้าพระองค์ขอประทานสิ่งนั้นแก่ข้าพระองค์พี่น้องครับแม้ว่าเราสามารถขอสิ่งต่างๆจากพระเจ้าได้แต่นั่นก็ไม่ใช่วิธีเริ่มต้นคำอธิษฐานของพระเยซูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่ใช่เป็นน้มัไทยของพระเยซูครับไม่ใช่เป็นการสอนเรื่องการอธิษฐานของพระเยซู เราต้องกลับมาดูออเดอร์หรือลำดับขั้นตอนต่างๆเพราะว่าลำดับขั้นตอนเหล่านี้ที่พระเยซูสอนมีความสําคัญมากในการอธิษฐานเราเห็นนะครับแรกสุดพระเยซูสอนให้เราเริ่มต้นทําอธิษฐานก็คือการนมัสการพระเจ้าก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนะครับประการที่สองก็คือเราจะต้องมีท่าทีในการสแสวงหา ที่จะดําเนินชีวิตตามหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าก็คือคําอธิษฐานที่บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ในโลกนี้ประการที่สามก็คือเมื่อเราทูลขอาการทรงนําในชีวิตของเราเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวนเป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกเพราะที่ว่าเราต้องการที่จะมีชีวิตฝ่ายร่างกายเพื่อจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณคําอธิษฐานทูลขอที่สี่ก็คือ ขอทรงโปรดประทานอาหารแก่ข่าพรงทั้งหลายในการวันนี้พี่น้องครับอธิษฐานสี่แบบสี่ประโยคนี้เมื่ออธิษฐานแล้วเราก็พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความบาปของเราในคําอธิษฐานที่ห้าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพงซึ่งนําเราสู่คําทูลขอต่อไปก็คือข่าพรงทั้งหลายเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพรง แล้วก็ขออย่านำข้าพงเข้ามาในการทดลองและขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายหรือจากมารร้ายนั่นเองพี่น้องครับเราพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะเรียงลำดับความสำคัญของทำอธิษฐานทั้งแปดคำอธิษฐา น, ฐานผมขออนุญาตทบทวนนะครับแรกสุดเรานมัสการพระเจ้าขอให้แผ่นดินของพระองค์ขอให้พันนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะประการที่สอง เราแสวงหาการมันชีวิตตามหลักการของแผ่นดินพระเจ้าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ประการที่สามเราทูลข อ, อการทรงนําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามพระไตยของพระองค์และประการที่สี่เราต้องการมีชีวิตฝ่ายร่างกายให้ดีให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อที่จะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณและสามารถจะรับใช้พระเจ้าได้ต่อไปก็คือขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพงศ์หลายในการบนันดีและเมื่ออธิษฐานครบสี่แบบนี้แล้ว เราก็พร้อมเบียบเชิญกับความบาปในชีวิตของเราเราก็อธิษฐานต่อไปว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์น้องครับเราอยู่ในส่วนนี้และเรายังไม่ไปส่วนต่อไปนะครับก็คือเรายังไม่ไปที่ว่าขอให้เราพ้นจากซึ่งชั่วร้ายขออย่านําข้าพระองเข้าไปในการทดลองนี่น้องครับความจริงห้าประการเกี่ยวกับความบาปของเราเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองเราจะต้องรู้ ยอมรับปัจจัยห้าอย่างครับปัจจัยซึ่งเป็นความจริงห้าประการเกี่ยวความบาปของเราก็คือประการแรกครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้ายังคงทําบาปอยู่ครับเราคงยังยังคงทําบาปได้อยู่แต่ไม่ใช่ตั้งใจที่จะทําบาปครับประการที่สองก็คือเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้านั้นจะมีความรู้สึกกังวลหรือมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างหลังทําหลังทําบาปแน่นอนเพราะว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นกระตุ้นเตือนชีวิตของเราอยู่เสมอประการที่สามครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าต้องจัดการเกี่ยวกับความบาปของเราต้องทําบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความบาปของเรานั่นก็คือการสารภาพบาปประการที่สี่ครับเราจะต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปผิดของเรานะครับและประการสุดท้ายก็คือ การที่ได้รับการยกโทษจากพระเจ้าการรับการพระราชทานอาภัยโทษเราจะต้องยกโทษให้กับคนอื่นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราอาธิษฐานว่าขอโปรดยกบาปผิดของข้าพรงคี่ีน้องครับเราไม่ได้ขอความรอดอย่างคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่รู้สึ ก, สกผิดนะครับเมื่อเราอาธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองเราไม่ได้กาลังพูดว่าความบาปของเรา ได้ละทิ้งความหวังทั้งหมดและเรากลัวความตายโดยปราศจากพระเยซูไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองเรากําลังอธิษฐานอย่างลูกของพระเจ้าพระบิดาครับนะครับเรากําลังอธิษฐานอย่างบุตรของพระบิดาผู้ไม่ได้ใช้ชีวิตสมกับความคาดหวังของพระบิดาเรากําลังบอกกับพระบิดาว่าพระบิดาเจ้าข้าลูกเสียใจลูกเสียใจ เพราะลูกทำผิดต่อพระองค์เมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เราไม่ได้รับการยกโทษครั้งแรกครับเพราะว่าพระเยซูทรงไถเ่เราเรากลับใจใหม่บังเกิดใหม่นะครับตอนนั้นเป็นการยกโทษครั้งแรกแต่การยกโทษครั้งแรกนั้นไม่ใช่เป็นการยกโทษครั้งแรกและครั้งสุดท้ายทั้งเดียวไม่ใช่ครับแต่พระเยซูกําลังยกโทษนะครับเราตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการที่คนบาป มาหาพระเจ้าเพื่อรับความรอดหลายคนคิดผิดครับว่าคําอธิษฐานนี้เ <his> ป <S liked extreme harma> ็นการขอพระเจ้าเพื่อทําให้เขาเป็นคริสเตียนไม่ใช่ครับแต่เป็นคําอธิษฐานของคริสเตียนก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละครับนะครับไม่ใช่เมื่อคุณอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดเรากลายเป็นคริสเตียนแล้วไม่ใช่ครับหรือเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาแห่งข้าพพงศ์หลายเราเป็นคริสเตียนแล้วไม่ใช่ครับพี่น้องครับคําอธิษฐานนี้เป็นคําอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนสาวกให้อธิษฐาน หมายความว่าต้องเป็นคําอธิษฐานของคริสเตียนพี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าความรอดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญการบังเกิดใหม่นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคริสเตียนนะครับเราจะไม่อธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูอย่างการสวดมนต์แต่เราจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคําอธิษฐานของพระเยซูแต่ละประโยคแต่ละคําเพื่อที่ว่าเมื่อเราลึกซึง้งเราจะรู้ความหมาย และเราจะปฏิบัติตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานทูลขอสิ่งไหนแล้วกําลังต่อสนิทเชื่อมสนิทเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูพระเยซู บ, บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดพระเจ้าจะทรงฟังพี่น้องครับนี่คือเคล็ดลับของการอธิษฐานที่ผมได้มีโอกาสศึกษา พี่ผมได้มีโอกาสแบ่งปันพี่น้องมาโดยตลอดเป็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดที่เราจะต้องรู้จักพระเจ้าพระบิดาของเรารู้จักพระเยซูรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์และรู้จักพระวจนะของพระเจ้าแต่เมื่อเรารู้จักทั้งสี่ประการนี้คือพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้านั้นเรากําลังทําให้คาอธิษฐานของเราสําเร็จในชีวิตของเราครับเรากําลังเปลี่ยนแปลงนะครับคาอธิษฐานจะเปลี่ยนแ ป, ปลงเรา คำอธิษฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระเจ้านะครับเพราะพระเจ้านั้นไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงได้และพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระองค์เหมือนเดิมอดีตวันนี้และอนาคตพี่น้องครับการอธิษฐานเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับการอธิษฐานเปลี่ยนแปลงไมเซ็ตของเราเปลี่ยนแปลงคอนเซ็ปต์ของเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของเราได้ถ้าเราตั้งใจที่จะอธิษฐานและตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้ พระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอาเมน